นั่งสมาธิใช้คำบาลีคำว่าสามมาสัมพุทธปัจชิมาสัมพุทธะจนสิของหนูรล้สึกเย็นสบายสงบแล้วก็มีใบโพทีเขียวขึ้นมาจามจามสมาธิแล้วพาหนูลอย ก็ไปสิ มีต้นไม้ใหญ่มากล้มลื่นอยู่ต้นหนึ่งแล้เมื่อหนูมองไปจึงเห็นพระพุทธเจ้าท่านั่งหยุดนั่งต้นไม้ต้นนั้นหนูจึงข้าวใจกาับนะ้ำมัชฌาคามาอมท่านเมื่อหนูกลาบน้ำมัจฌาคารมาอทานะ ม, าามาอท่านแล้วพระโค์ท่านกลื่อนมาขึ้นมามอง ลาพูดว่านกน้อยมาถึงแล้วหรือเดินมาทางนี้สิเดีย๋ยวเราจะให้เจ้าได้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระองค์ท่านลุกขึ้นเดินไปตามทางจิตทางหนึ่งโนดจึงเดินตามพระองค์ท่านไปในระหว่างทาง มีดอกไม้ต้นไม้และต้นไม้ใหญ่มีต้นไผ่ทองเต็มไปหมดพระองค์ท่านคาอ็เดินไปแล้วก็หยุดอยู่ข้างำาลำธารพระองค์ท่านทรงพูดกับหัูว่าจ้าหนกน้อยลองดูท่านสกมีอะไรอยู่หนูก็มอง อยู่สานดอกสีของมันสวยงามมากมีทั้งสีข อ, ออกแดงนิดหนึงสีชมพูออกขาวแล้วก็มีสีเหลืองออกขาวมันช่างสวยงามมากแต่มันยืนโผล่ขึ้นมาไม่หมดและยังไม่ได้บานออกมันกําลังจะพผลขึ้นมา แล้วพระองท่านสรงพูดกับเราว่าดอกบัวนา้าเป็นดอกบัวที่งามและแขงแรงเพราะมันเป็นดอกบัวที่อยู่กลางน้ำที่มีกระแสน้ำาหลาผ่านไปบางครั้งกระแสน้ำนั้นก็ไหลแรงมาก นอกบัวนี้หากบุดขึ้นมาได้จะเป็นดอกบัวที่สวยงามและแข็งแรงมากกว่านอกบัวที่เกิดในสระที่ไม่มีกระแจาของน้ำมากระทบเลยเพราะว่ามันเรียนรู้คำพานถุกกระทบและในแต่ละวัน มันก็รู้ว่าต้องารปานกระแดของน้าที่หลผ่านนั้นอย่งางไรบ้างเมื่อมันผุกขึ้นมาแล้วมันจึงจะแป็ดอกตัวที่แข็งแรงและสวยกว่าดอกตัวที่อุู่ในสระก็เหมือนกันกันกบลูกที่ถูกเลี้ยงดูอย่างถนบถนอมไม่กล้าที่จะต่อว่า หรือว่าใช้ความดุนแรงหรือสตุภจาว่าหรือแม้เปรียบเทียบกับลูกศิษย์ก็จะเป็นลูกศิษย์ที่ครูบาอาจารย์ไม่กล้าที่จะกระทบแรงแรงเพราะกรวดสช้ำและจะต้องสนกทนองเอาไว้เมื่อลูกหรือลูกศิษย์ เผชิญสิ่งที่โดนกระทบอยู่ข้างนอกก็จะรู้เึกว่าต้านรับไม่ไหวเพราะไม่มีการเรียนรู้ในสิ่งที่โดนกระทบมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นลูกก็ดีลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์งใดก็ดีหากเธอกับสิ่งกระทบจากผู้ใหญ่ ที่เป็นพ่อแม่หรือเป็นครูบาอาจารย์ไม่ควรที่จะสกรดท่านเพราะหากไม่มีท่านคอยเป็นกระแสน้ำคอยกรแทกพบสร้างความสำคันให้เราแข็งแรงได้เรียนรู้หากเราออกไปอยู่ข้างนอกเราก็จะเป็นดอกลัว ที่อ่อนแอและหาดเจอลมเจอฝนเจอแดดสักหน่อยก็ล่วงลงไย ห, หมดแล้วเพจะนั้นเราต้องขอบคุท่านที่ท่านคอยเป็นกระแสของน้ากระตุน้นกระทบให้เราแขงแรงและเจนดอกบัวชิ้สงสง่างามจึงไม่ควรที่จะ ท, ทุบศีรษะฮัมกูบาร์ดแอนทุกๆองค์แล้วบาร์ดองค์นั้นส่งสงทางรม้กับหนูแล้วและองค์ท่านก็เดินออกมาจากที่นั่นกลับออกมานั่งมากต้นไม้เหมือนดังเดิมหนูจึงเดินเข้าไปแล้วก็ นั่งลงต่อหน้าท่านหนูจึงถามท่านว่าพระองค์เส้าขาว่นนี้ช่ามีทำมาอะไรให้นหนูกลับไปเผยแผ่กินมาเส้าขาพระองค์ท่านจึงบอกว่า กินน้อยเจ้าลองดูสิที่ตลาดการขายของมนุษย์มีแต่ความเหม็ดเหนื่อยเช้ามาก็ต้องไปขายของคนซื้อก็ซื้อคนขายก็ขายมีคนอยู่ที่นั่นเยอะแยะ การขาดทุนเกิดขึ้นก็ต้องมาน้งางหัดน้องเพียรเมื่อมีกำไรก็เอาไปสรบ้านซื้อรถซื้อที่ดินเอาไว้เลยแยมากมายทำกันแบบนี้อั้งแต่รุ่นพายายพอ่อแม่จนถึงลูกหลานและทำกันตั้งแต่ ยายเมื่อตายทำแบบนี้แล้วก็ฝากไว้กับลูกแล้วจึงเสด็จไปลูกก็ฝากไว้กับหลานแล้วก็มาจากไงเมื่อครั้งเจอลูกหลานที่ไม่ดีก็ขายกินขายเล่นกันหมดันไม่เหลืออะไรเลย แล้วความเหนื่อยความเหนื่อยที่เก็บร้อมเอาไว้ทั้งชีวิตหลับถึงป่าแดดไม่มีอะไรได้เอาไปด้วยโดยสักนเดนอตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันตายแล้วตายอีกไปแล้วไปอีกก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลย ยิ่งคนที่ขี้เหนียวให้ยอมแ บ, บ่งส่วนในส่วนหนึ่งขอบทําบุญก็ยิ่งไม่มีอะไรติดขับไปเลยเหมือนกับคนที่ไปทางานแล้วฝากมันไว้กับเจ้านายเมื่อกลับบ้านไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไปเลยและเมื่อกลับไปถึงที่นั่น ก็ไม่มีอะไรอยู่เลยไม่มีบ้านไม่มีสิ่งใดที่ได้ผมสร้งางเขาไว้ยังไม่มีแม่กับแม่ทั้งที่อยู่อาศัยจึงจะต้องลำบากหากจะเกิดมาใหม่ก็จะต้องมาเกิดมีครอบครัวที่ยากจนและจะต้องมาสร้างและเริ่มต้นใหม่ ขอไม่ได้ฝากเอาไว้เป็นทุนซึงมอดแต่รอว่าเมื่อไหร่เจ้านายนั้นจะส่งมาให้สักทีแต่เจ้านายนั้นเขาก็ลืมเราไปแล้วแม้อาจจะจำได้บ้างเปนบางครั้งแต่เขาก็มีเจ้านายใหม่แล้วเหมือนกัน เมื่อครั้งเขาจามส่งเงินมาให้ก็มีข้อจำนวนแซมกัดเพราะเจ้านายคนใหม่ก็มีอำนาจมีการที่จะยุทรับเขาจึงไม่สามารถที่จะส่งเงินมายเยอะให้ได้และกระทั่งตัวของเขาเองก็ตกอยู่ใต้อำนาจของเจ้านายใหม่และก็ไม่กล้าที่จะฝากเงิน ไปไว้ข้างนให้กับตัวเองเยอะเส้นเดียวกันและก็จะต้องทำแบบนี้ไปไม่รู้จุกจบเช่นเมื่อพระองค์ท่านพูดกับโนแบบนี้แล้วหนจึงถามพระองค์ท่านว่าเมื่อมันแดนเช่นนี้แล้วจะต้องทำยังไงดีล่ะเจ้าขา สนามมิเหมอมา้าสนาไม่สุนป่าพระองค์ท่านทรงบอกกับาว่าการที่คนเราเกิดมาก็เหมือนการมาสร้างผลสร้างบารมีขอกำไรให้กับชีวิตก่อนตนเองเมื่อกรดมรรแล้วก็อำดีมหาบุญเพื่อเป็นลบหนี้กรรมหนี้บาป ที่ทำไว้แล้วเมื่อลบหนี้บาทนันหมดแล้วก็ให้ฝากเป็นกรรมลายไว้บ้างเมื่อเราเกิดมาเขาต้องอทามากินและจำเป็นคิดต้องมีที่บุาาู่าัยแต่หากมีเพียงพอแล้วก็ควรที่จะฝากไวเ้เป็นบุญกุศลเพื่ออนาคต การไปของดวงจิตบ้างสเงาส้นเพลี่ยนจากสรัพิ์เงินทองหล่านั้นไปปากไปเป็นบุญกุศลการส่งทักพยนเงินทองไปไวในอนาคตได้ก็คือการทำบุญสร้างวัด ส, สาร้างศาลาบุญแจดียพระพุทธรูป ก็จะสามารถเปลี่ยนทรัพย์สินเงินทองให้แปนบุญฝากเอาไว้ในทายภาพหน้าไม่ว่าจะเป็นอนาคตหรือชีวิตหลังความตายสิ่งที่เราเดน็กหน่อยมาก็ทำไห้ฉุนป่าจึงก็เหมือนกับการที่เราไปทำงาน แล้วส่งเงินมาตั้งบ้านไว้เมื่อเรากลับมาก็มีทุกอย่างไว้รออยู่ในอนาคตหากเราเยี่ยนวัดไทยเกิดในวัดนักสงสารเราก็จะมีบ้านมีวยงวาณอยู่เพเื่อสืบสันดานสันหนึ่งเากเ๋ยวเราต้องไปเกิดใหม่ก็เสมอ มีสิ่งที่สร้างไว้อยู่แล้วพอสจะไปเกิดในครอบครัวที่มีร้อมทุกอยยางชีวิตมันต้องดิ้นรนลำบากมากแล้ก็ต้องทำบุญสร้างบารมีฝากไว้อีเหือนิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็สับไม่มีวันเหนื่อยเปล่าและสามารถเอาเงินทองที่เราต้องหา มาทั้งชีวิตไปได้ส่วนหนึ่งผ่าน ก, การสร้างบุญหากท่านไม่อยากเป็นคนที่มานทำงานแทบเหน่อยเปล่าสูญเปล่าก็ให้ฝากเงินไว้ขับบุญนะจ๊ะเพราะเป็นรหัสผ่านใกนการฝากสิ่งที่สร้างเอาไว้ได้ส่วนหนึ่งเพราะสิ่งที่สจดตามท่านไปได้งั้น ก็ ค, คือบุญและบาปเท่านั้นพระองค์ท่านพุดจบหนูจึงกาบ ม, มาสการพระองค์ท่านและขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ยังไงทํามากับหนู